ชาวพุทธขาดจุดยืนการสวดมนต์หรือมนต์ที่เราจะต้องสวดนี่ที่มันเป็นจุดยืนคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมตตาพรหมวิหารตบท้ายด้วยการอุทิศส่วนกุศลมันอยู่กันที่ตรงนี้ชาวพุทธเราเวลาเนี้ยไม่มีจุดยืน ใครเอาอะไรมาให้ก็สวดกันหมดเดี๋ยวนี้ยิ่งมากพิมพ์ออกมาแจกกันเป็นเล่มๆบางทีฟังดูแล้วภาษามาคตบ้างภาษาบาลีบ้างสลับกันไปมันก็เลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นจุดยืนผู้ที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ซึ้งถึงแก่นแห่งธรรมะมันก็ไม่ทราบว่าจะจับเอาอะไรเป็นหลัก อย่างที่เราสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาแจกมาจ่ายกันอยู่เนี่ยก็เลยไปเข้าใจว่าคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปอยู่กับพระพุทธรูปอยู่กับเครื่องรางของขลังแต่แท้ที่จริงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่จิตใจของเรามีสติสัมปะชัญญะรู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละ คือคุณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตของเราการส่งไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นก็คือมีพระธรรมในใจผู้มีพระพุทธพระธรรมในใจจะต้องมีเจตนาตั้งมั่นว่าเราจะละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดก็เป็นคุณของพระสงฆ์มันก็อยู่กันที่ตรงนี้ แล้วเราจะไปไหว้วนให้เทพเจ้าหรือพระเจ้าหรืออะไรต่ออะไรมาช่วยเหลือเรามันเป็นไปไม่ได้ชีวิตทุกดวงมันขึ้นอยู่กับกฎของกรรม